เคยมาไหมเคยฝึกไหมฝึกมาแบบไหนเหลือยา่าง <c oughs> คือจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมาแท้ๆนะต้องอดทนนะอดทนนิดหนึง่งคือ โอกาสที่คนแต่ละคนจะตื่นขึ้นมาเนี่ยยากที่สุดเลยนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมเนี่ยนะไม่ตื่นในโลกนี้หาคนตื่นแทบไม่มีเลยแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาได้เราจะอยู่กับโลกของความเป็นจริงคนส่วนใหญ่อยู่กับโลกของความคิดไม่เคยอยู่กับโลกของความจริงถ้าเราอยู่ในโลกของความคิดมันก็คือความคิดมันไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าเราตื่นเราจะหลุดออกจากความคิด หนีไปคิดแล้วทราบไหมอย่างนะี้อย่างนี้ตื่นนะแต่ตื่นได้อยู่แวบเดียวนะการตื่นนะมันจะตื่นช่วงขณะขณะแวบเดียวอย่างนี้ลงละนะคอยรู้สึกไปรู้สึกไปใจหนีไปทราบไหมนะให้คอยรู้สึกไปนะหนีไปแล้วทราบไหม ให้ค่อยรู้ทันนะไม่ห้ามไม่ห้ามคือผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องรู้ตัวสภาวะสภาวะธรรมรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้อาหจะรู้สึกไปนี่การรู้รู้ตัวสภาวะจริงๆนะทำยากยากงั้นมีปััสนาแท้ๆเนี่ยหากคนทำไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ทำได้เป็นสมถะสมถะมันทำง่ายนะ คือเป็นการน้อมใจให้ไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะใจน้อมไปอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะเพลิดเพลินสบายเพราะจิตใจของเราปรกติชอบหนีไปเที่ยวหนีไปโน้นหนีไปนีนปน่จะทําสมาธิก็ให้มันมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะที่เป็นกุศลด้วยนะอารมณ์อกุศลไม่ได้นะอย่างหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยใจสงบแต่วิปัสสนาไม่ได้เป็นอย่างนี้วิปัสสนาต้องรู้สภาวะนะ ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกไว้เราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดเมื่อเราหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยเราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงทำอะไรเมื่อกี้นี้ไม่ใช่จงใจทำและทราบไหมความจงใจทาเนี่ยนะความจงใจตัวนี้มีโลภเจตนาเป็นโลภเจตนา เพราะฉจิตดวงเมื่อกี้เนี่ยเป็นอากูศลจิตนะมันทําด้วยความโลภอยากดูอยากดูเลยเอาไปจ้องไว้การจ้องนี้เป็นการกระทํากรรมเบื้องหลังการกระทํากรรมคือตัณหาความอยากอยากปฏิบัติตัณหาเป็นกิเลสลงมือทําเป็นกรรมกิเลสเนี่ยเป็นสหาชาติตัดใจของกรรมเกิดร่วมกันเพราะฉะในขณะที่เราจ้องด้วยความอยากจ้องเนี่ย จิตดวงนี้มีกิเลสเจือตลอดจิตดวงนี้จะไม่มีสติสติจะไม่เกิดขึ้นทํำยังไงก็ไม่เกิดสติหน้าที่ของเราก็คือหัดตามรู้กายหัดตามรู้ใจไม่ใช่จ้องนะพวกเราหลายคนมาใหม่ๆไม่เคยฟังอาตมาพูดอาจจะงงนะอาตมาไม่ได้สอนอะไรเยอะหรอกนะสอนให้พวกเราหัดรู้จักสภาวะนะความรู้สึกต่างๆนะคอยรู้สึกมันไป ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยโดยเฉพาะจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคอยรู้ไปอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงหลักวิปัสสนามีนิดเดียวเองนะให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเราใจลอยไปเราเผลอไปเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ยังเผลอไปคิดเนี่ยเผลอไปคิดนะรู้กายรู้ใจไม่ได้ มัรู้แต่ความคิดรู้แต่เรื่องที่คิดเรื่องที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่อารมณ์ปรมาธิัญญาเพรานั้นแรกเลยเราต้องไม่หลงไม่เผลอหลงเผลอมีหกอย่างหลงไปทางสวารทั้งหกเลยหลงไปดูเห็นคนเดินมาไปดูเขาลืมตัวเองหลงไปฟังอย่างนั่งฟังอตรตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมฟังฟังเราไม่รู้ว่าฟังนะแต่รู้ว่าอรหตมาพูดว่าอะไร เราไม่รู้ว่าเรากำลังฟังอยู่สังเกตให้ดีเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวเราฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราอยากปฏิบัตินะเอาแบบง่ายๆเลยปฏิบัติแบบง่ายไม่คิดมากเลยนะฟังรู้ว่าฟังฟังแล้วหนีไปคิดรู้ว่าไปคิดนะคอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจตัวเองบ่อยๆจิตใจนะถ้าเราไม่รู้ทันมันมันจะวิ่งไปหาความทุกข์มาให้ เนีคุณผู้หญิงเสื้อสีน้ําเงินนีบิคิดละทราบไหมลืมตัวเองละ่ะนะเนี่ยหนีปนไปแล้วนะหนีนปนไปว่ารู้สึกไหมหนีแว บ, บไปนะคอยรู้สึกให้รู้ทันเฉยเฉยไม่ห้ามนะไม่มีคําว่าห้ามนีม่ปรัชนาเนี่ยให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ฝึกบังคับเนี่ยเผลอไปล่ะทราบไหมหลวงพ่อบอกเรารู้ไหมนะถูกมันจะต้องอย่างงั้นนะ ต้องเผลอไปก่อนแล้วก็รู้ว่าเผลอนะไม่ใช่เผลอไปรู้ไปไม่ได้นะงั uh ้นการปฏิบัต right? ิเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ฝืนธรรมชาติเลยใจเราลอยใจเราเผลอไปรู้ว่าเผลอเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภเป็นการรู้ตามหลังตามหลังไปเรื่อยๆแต่ต้องตามแบบประชั้นชิดนะไม่ใช่โกรธเมื่อวานแล้ววันนี้รู้อย่างงี้ใช้ไม่ได้พี่ตุ้มนี่รีคิดแล้วนะ ตั้งใจทนะํแล้วทราบไหมตั้งใจทําก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเรียกว่าไปบังคับมันเพ่งมันควบคุมมันกาหนดมันนะกาหนดก็ไม่ถูกนะถ้าตจปีดกไม่ได้ใช้คาว่ากาหนดรู้นั่นใช้คาว่าความระลึกได้นะสติใจลอยรู้จักไหมอย่าบังคับไว้นะอย่าบังคับตัวเองอย่าเกรงนะค่อยๆฝึกไปนะถ้าเราทาไม่ผิด มันจะถูกเองอ่ะไม่ต้องทําที่ถูกสิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นเองเผลอไปหลงไปนะเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดนะอีกการหนึ่งก็เพ่งไว้บังคับไว้กําหนดไว้นะน้อมใจเข้าหาความนิ่งนะบังคับให้มันอยู่เฉยจิตเราจะผิดตลอดนะไม่ถูกเลยนะเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องผิดเพราะงั้นมันเผลอไปแล้วก็รู้ว่าเผลอมันเพ่งไว้ก็รู้ว่าเพง่งนะ จิตใจทำอะไรคอยรู้ไปอย่างนั้นรู้ตรงๆรู้ซื่อๆการปฏิบัติเลาอย่าวาดภาพรายากนะจริงๆง่ายๆคนด่าแล้วโกรธรู้ว่าโกรธคนชมแล้วดีใจรู้ว่าดีใจได้กลิ่นหอมชอบใจรู้ว่าชอบใจได้กลิ่นเหม็นไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะรู้ไปธรรมดาธรรมดานะคอยรู้สึกตัวไปรู้จิตใจไม่ได้ก็รู้ร่างกายไป หายใจเข้าก็รู้สึกตัวไว uh? ้อย่าใจลอยไปหายใจออกก็รู้สึกตัว uh? นะอย่าใจลอยไปขณะเดียวมันหายใจเข้าก็ไม่ได้เพ่งลมหายใจหายใจออกก็ไม่ได้เพ่งลมหายใจนะเพราะเรื่องเบื้องต้ น, ตนห ล, ลหวงพ่อถึงสอนบอกว่าอย่าทำผิดสองอย่างอย่าเผลอไปอย่าใจลอยไปแต่อย่าเพ่งเอาไว้มีสองอันอย่า ก, กําหนดอย่าเพง่งพวกพวกกาหนดพวกเพ่งนี่กลุ่มหนึ่งนะเผลอไปใจลอยไปนี่นอีกพวกหนึง่ง เวลาเราจะรู้กายเช่นเราจะรู้ลมหายใจใครชอบรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจแต่รู้แบบไม่เผลอไปกับไม่เพ่งเอาไว้ะเช่นหายใจเข้าก็รู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยหายใจออกรู้สึกตัวไม่ใจลอยในขณะเดียวกันหายใจเข้าไม่ได้ไปเพ่งลมหายใจเพื่อให้จิตนิ่งหายใจออกก็ไม่ได้ไปเพ่งลมหายใจเพื่อให้จิตนิ่งะใครจะรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนบางแห่งสอนสายท่านจะแนแนะ ให้รู้อริยาบทสี่นะหรือบางแห่งสอนพองยุบบางแห่งสอนกำหนดนะจังหวะการเคลื่อนไหวของมืออะไรนะันเราก็รู้มือรู้เท้ารู้ท้องของเราไปโดยไม่เผลอในขณะเดียวกันก็อย่าไปเพ่งใส่มันถ้าไม่เผลอก็ไม่เพ่งมันจะรู้ได้พอดีพอดีรู้ได้อย่างเป็นธรรมดาธรรมชาติรู้แบบเพื่อจะรู้สึกตัวขึ้นมาเวลามาดูจิตใจก็เหมือนกันไม่เผลอไป คอยอ่านความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆะในขณะเดียวกันก็ไม่เพ่งความว่างๆในใจเอาไว้ะหลายคนชอบไปเพ่งความนิ่งความว่างในใจก็ผิดเหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปฏิบัติถูกเราต้องเรียนสิ่งที่ผิดสองอันนี้ให้เข้าใจนะพระพุทธเจ้าสอนพระปัญจวัคคีย์เทศนากันแรกเลยสอนธรมธรมจักรธรรมจักรไม่เริ่มต้นว่าปฏิบัติยังไงถูกธรรมจักรท่านเริ่มต้นบอกว่า การปฏิบัติที่ผิดสองทางสุดโต่สองทางเนี่ยบรรพชิตหรือผู้ปฏิบัติไม่ควรเสร็สองทางอันที่หนึ่งนะการหลงตามกิเลสไปสองอันที่สองนะความสุดโต่อันที่สอ ง, นะาส ง, อสองการบังคับทําตัวเองให้หลําบากบังคับกายบังคับใจตัวเองสองทางนี้ไม่ทํานะแต่พวกเราคนทั่วๆไปก็ชอบหลงตามกิเลสส่วนนักปฏิบัติชอบบังคับตัวเองเงื้นรู้กายแบบไม่เผลอไปที่อื่น ไม่เพ่งไว้รู้ใจแบบไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้นะฝึกอย่างนี้ง่ายนะใครเคยทำยังไงก็ทำต่อไป <c oughs> คือตรงที่จิตคิดเนี่ยนะจิตคิดเนี่ยให้รู้ทันว่ามันคิดมันจะเกิดความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วเราต้องเห็นร่างกายนี้มันเดินไป เห็นรูปมันเดินนะคราวนี paper, Here, Asia, samples, ้ไม่มีเราเดินแล้วจะเห็นในร่างกายหรือรูปธรรมอันนี้มันเดินไม่ใช่เราเดินแต่ถ้าเราหลงไปในความคิดมันจะกลายเป็นเราเดินถ้าคิดเรื่องเดินก็กลายเป็นเราเดินถ้าคิดเรื่องอื่นก็กลายเป็นเราไปอย่างโน้นเราไปอย่างนี้ความเป็นเราทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความคิดล้วนๆเลยนะโสดาบันละสกายทิฐิละความเห็นผิดว่าเป็นเรา ความเห็นผิดว่าเป็นเราชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นความเห็นเป็นความคิดนะมันรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมไม่ใช่เราเดินนะรูปมันเดินแต่ไม่ใช่คิดนะไม่ใช่คิดเอาเองว่าอ๋อไอ้ที่เดินอยู่นี่รูปมันเดินไอ้ที่นั่งอยู่นี่รูปมันนั่งไอ้นี่คิดเอานะคิดเอาเนี่ยหลงละต้องหลุดออกมาจากโลกของความคิดรู้สึกตัวแล้วมันจะหลุดออกจากความคิด อย่างพวกเราตอนนี้สังเกตไหมใจของพวกเราในห้องนี้นะมันนิ่งนิ่งรู้สึกไหมตอนทานข้าวมันไม่นิ่งแบบนี้รู้สึกไหมให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงนะรู้ความเปลี่ยนแปลงไปตอนที่มาถึงวัดใหม่ๆมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้รู้สึกไหมตอนนี้ก็ไม่ได้นิ่งเหมือนเมื่อกี้แล้วรู้สึกไหมดูออกไหมมันไม่เหมือนกันะนะเมื่อกี้มันนิ่งใช่ไหมฟังหลวงพ่อพูดอยู่คนเดียวนิ่งชักจะนิ่งไปเรื่อยๆ เริ่มกลับมานิ่งอีกแล้วทราบไหมเนี่ย <c oughs> ให้คอยรู้ทันตัวเองไปนะรู้ทันไปจิตใจเป็นของที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยเราไม่ได้ฝึกเพ่งให้นิ่ง <c oughs> ในขณะเดียวกันเราไม่เผลอลืมดูมัน <c oughs> ให้คอยรู้ให้คอยดูมัน ใช่ใช่ใช่มันจะมันจะสุดโต่งสองอันนะ่ะไม่เผลอเพราะเพ่งนะทาไม่ได้ทางสายกลางเนี่ยนะจงใจทำขึ้นมาไม่ได้เพราะสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้นะไม่เฉพาะสตินะทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะทำทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่ว่าถ้าเหตุของสติมีสติจะเกิด นะเหตุของโทสะมีโทสะก็เกิดนะเหตุของปัญญามีปัญญาก็เกิดนะหน้าที่ของเราทำเหตุของสติเหตุของสตินะ่ะสติคือความระลึกได้เราจะระลึกได้ว่าความโกรธมาแล้วเนี่ยเราต้องเคยเห็นว่าความโกรธเป็นยังไงนะเราจะระลึกได้ว่าอ้าวตอนนี้กำลังโลภอยู่เราต้องรู้จักว่าความโลภเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมีการจาสภาวะธรรมได้แม่นยาเป็นเหตุใกล้ให้เกิด นี่ทำไมมันถึงจะจำสภาวะได้แม่นอักโจรมาแล้วก็รู้ทันโลภมาก็รู้ทันนะกังวลมาก็รู้ทันมันจะจำได้แม่นถ้ามันเคยเห็นบ่อย ๆ, <S <S ๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนต้นทางของการปฏิบัติเนี่ยนะก็คือการคอยเห็นสภาวะทำบ่อยๆนะการตามรู้กายบ่อยๆเรียกกายานุศัสนาสติปัฏฐานจะทําให้จําสภาวะของรูปได้เห็นรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนเนี่ยจําสภาวะของมันได้ หรือคอรู้จิตใจใบ่อยๆเราจะรู้เลยความสุขเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนี้นะโลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้อันไหนที่เรารู้จักแล้วพอมันเกิดขึ้นนะมันจะระลึกขึ้นได้เองว่าอา้าวโกรธแล้วนะอา้าวเผลอไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่นะจะสังเกตหลวงพ่อจะคอยไล่ที่เป็นระยะระยะนะเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราหัดรู้จักสภาวะเผลอไปคิดเรารู้ไหม ต่อไปเนี่ยใจมันจะจำสภาวะได้ว่าเผลอไปคิดเป็นอย่างนี้นะเพ่งไว้เป็นอย่างนี้สงสัยแล้วเป็นอย่างนี้นะงงนะเป็นอย่างนี้สภาวะแต่ละหัดรู้จักไปเรื่อยๆนะต่อไปพอใจมันเกิดไปอยู่ที่บ้านนะใจมันเกิดใจลอยไปนะเคยรู้จักแล้วว่าใจลอยเป็นยังไงพอใจลอยแป๊บความรู้สึกความระลึกมันจะเกิดขึ้นอ้าวใจลอยไปแล้ว นื้สติตัวจริงเกิดอย่างนี้ใช่ใช่แล้วมันก็หลงต่อนะหลงสุดโตรงไปอีกสองข้างนะนะั้นน่ะอันแดนหนึ่งนะสังเกตไหมอย่างพอเราเผลอหรือเรารู้ตัวว่าเผลอปั๊บในขณะนั้นเราจะรู้ตื่นแล้วว่าเบิกบานสงบสะอาดสว่างขึ้นมาชั่วฉับสันชั่วขณะเดียวนะ เพราะมันทรงอยู่ด้วยคณิกะสมาธิเองนั้นตรงที่ถูกเนี่ยเกิดชั่วขณะเองหลังจากนั้นผิดสองแบบอีกแหละพวกหนึ่งอาจจะเพ่งไปเลยเพรา ก, กลัวจะเผลออีกเพราะกลัวจะเผลอครั้งใหม่ก็เลยนั่งจ้องเอาไว้นี่สุดโตงไปข้างบังคับแล้วนะทําผิดอีกแล้วจิตมีโลภแทรกแล้อีกอันหนึ่งก็คือใจลอยไปพอรู้ตัวว่าใจลอยนะยิ่ง ฟุ้งซ่านต่อไปอีกเช่นโอ้แย่แล้วทําไมเราเผลอบ่อยอย่างนี้หลงคิดต่อไปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยพอมันรู้สึกตัวถูกต้องมันจะอยู่ได้ชั่วขณะเองนะมันจะผิดสุดตรงสองข้างนั้นอีกหน้าที่ของเราก็คือพอมันสุดตรงไปอีกสองข้างนั้นอีกรู้ทันขึ้นมาอีกหนึ่งขณะะเพราะฉนะั้นการปฏิบัติเนี่ยเราลงชั่วขณะเดียวแวบบแวบบแวบบนะเผลอไปแล้วรู้ทันเพ่งอยู่รู้ทันนะรู้เรื่อยๆอยีกตอนเนี้หนีผิดคิดทราบไหม เนี่ยรู้จักตื่นแล้วใช่ไหมแต่อยู่ช่วงขณะนี้พิจิตติกัแล้วดูออกไหมนะแป๊แ บ, บ, แ บ, บเดียวครับเข็นแป๊บเดียวนะพอแล้วนะเวลาอาริยามรรคเกิดเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นนะเพนั้นมรรคตัวจริงเกิดนะ้นเกิดขณะเดียวนะไม่ได้เกิ ด, ด ย, ยาวๆนะเพระฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยว่าทําไมเรารู้สึกตัวได้แว๊บเดียวแวบ๊บเดียวก็พอแล้วนะแต่ว่าแว บ, บให้มันบ่อยนะ ไม่ใช่แวบหายไปสามวันมาอีกแวบอย่างนี้ไม่ได้กินนะกิเลสเราไปกินหมดนะหน้าที่ของเราก็คือให้มันแวบขึ้นมาบ่อยๆนะทําไงมันจะสติเกิดได้บ่อยก็ต้องรู้จักสภาวะเยอะๆสินะเช่นพอใจลอยแวบรู้สึกตัวนะพอรู้สึกตัวแล้วชักโมโหตัวเองว่าแหมทำไมมันใจลอยบ่อยเห็นความโมโหโผล่ขึ้นมาได้อีกแวบหนึ่งลนะะเพราะฉั้นต้องรู้สภาวะเยอะๆจําสภาวะได้แม่นได้มาก สติยิ่งเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นหัดใหม่ๆเรารู้จักสภาวะน้อยเราจะรู้จักแต่สภาวะที่หยาบเช่นต้องโกรธแรงๆถึงจะรูนะ้นี่เราหัดรู้หัดดูเรื่อยๆเราไปขัดใจนิดเดียวก็เห็นและ้นะหัดใจหน่อยเดียวก็เห็นแล้วนะเช่นเรานั่งของเราสบายๆมีคนเดินเฉียดใกล้ของเรามาใกล้ตัวเรามันความเครียดมันเกิดแวบเนี่ยสติมันเห็นเองนะ เพราะหัดรู้ไปแล้วส ต, ติมันจะไวขึ้นเพราะว่าจําสภาวะได้มากขึ้นมากขึ้นนี่พอส ต, ติตัวจริงเกิดมันอยู่ชั่วขณนะน่ะแวบเดียวนะถามว่าแล้วตรงนี้จะได้ประโยชน์อะไรถ้าเกิดบ่อยๆนะต่อไปมันจะเกิดปัญญาขึ้นมันจะเห็นเลยว่าจิตที่หลงไปจิตที่เผลอไปหรือจิตอักูสนนะห้ามไม่ได้หรอกนะจิตมันจะเป็นอักูศนมันก็เป็นห้ามมันไม่ได้ จิตที่จะรู้สึกตัวเป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาโดยที่ไม่ได้ชักชวนให้เกิดอย่างแท้จริงเลยเนี่ยจงใจให้เกิดก็ไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวจงใจให้เกิดไม่ได้พอเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ส่วนอกุศลพอมันเกิดแล้วอยากให้มันดับมันก็ไม่ดับเราจะเริ่มเห็นความจริงของสภาวะทั้งหมดเลยทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลล้วแต่ของบังคับไม่ได้ทั้งหมดเลยห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นของที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอด นี่คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเอง <Okay. S 1> ไม่คิดไม่คิด <Okay. S 1> มันรู้สึกมันรู้สึก <Okay. S 1> อย่างเนี้ยรู้สึกไหมว่าใจมันสงสัยรู้ไปที่ความรู้สึกสงสัยรู้ทันว่าใจเราสงสัยไม่ใช่รู้ว่าสงสัยเรื่องอะไรนะรู้ว่าสงสัยเ mm hmm. นี้ยเพง่งใช่เพ่งรู้ว่าเพง่งเห็นไหมตอนที่เพ่งเนี่ยเริกสงสัยไปแล้วนะ ความสงสัยดับนะ่ะอ่าเป็นทุกคนหละมีใครบ้างใจเนี้ยใจนี้ช่างพูดทุกคนเลยนะไม่ทำอ่ารู้ว่ามันคุยไม่สงบอ่า ในเนี่ยมันมีไอ้ช่างคุยอยู่คนหนึ่งมีทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะโยมหรอกถามถามคนอื่นแนละ้วใครมันไม่คุยบ้างไม่มีอะนะคุยทุกคนโยมจะเรียนสมถะหรือเรียนมิปัสนาละ่ะเอออย่างเรียนมิปัสน า, ออานาง่ายมากเลยนั่งกําหนดลมหายใจหรือนั่งสมาธิไปนะใจมันช่างคุยขึ้นมามันฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ว่ามันฟุง้งซ่านใจมันหนีวิคิดเรื่ออื่นรู้ว่ามันหนีวปคิดเรองอื่น หายใจไปเรื่อยๆยใจมันสงบรู้ว่าสงบมันมีปีติหรือว่ามีปีติมันสุขรู้ว่าสุขนี่ยเผลอละรู้สึกไหมลืมตัวเองละรู้สึกไหม <c oughs> อ่านึกเห็นไหมเราไปคิดเราไปรู้เรื่องที่เราคิดนั่นเป็นอารมณ์บัญญัติไม่ใช่ของจริงเลยสิ่งที่เราคิดขึ้นเองเราลืมของจริงคือลืมกายลืมใจตัวเองเ <c oughs> นี่ยอยากพูดอีกแล้วเห็นแรงดันในหน้าอกไหมมันอยากพูด ต่อไปนี้นะก่อนจะพูดนะมันมีแรงดันเนะี้ยรู้ทันรู้ทันแรงดันในหนนะ้า อ, อกเรานะพอมันหมดแรงดันแล้วอนุญาตให้พูดได้นะเห็นไหมเผลอลืมดูอีกแล้วนะลืมรู้สึกตัวนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรู้สึกอึดอัดไหมนะพอจะดูออกไหมมันมีแรงตักดันนะ ตัวเนี้ยคือเจ้านายของเรานะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะทักตัวนี้ก่อนเพื่อนเลยแม่ตันหาผู้เป็นผู้สร้างเรือนนะเป็นในช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วแมโยมหันรู้จักนะจะได้ตามพระพุทธเจ้าได้นะเวลามันอยากพูดมันมีแรงผลักขึ้นมาเลยพูดนะไม่พูดเธอจะต้องอึอดอัดนะไปเที่ยวนะถ้าเธอไม่เที่ยวเธอจะอึอดอัดฉันจะลงโทษเธอนะ อยากนั่นแหละภาษาบาลีเรียกว่าตัณหาล่ะคือการถามนาะโยมไม่มีประโยชน์หรอกเชื่อแตา ม, มาเถอะหัดรู้สภาวานะนั้นมีประโยชน์ที่สุดเลยนะถ้าโยมถามโยมจะได้อะไรกลับบ้านหรือไม่โยมจะได้ความจํากลับบ้านนะพอโยมถามโยมจะได้อะไกลับบ้าใชรม่โยมะได้ความจํากลับบ้านได้นิดเดียวเดี๋ยวก็ลืมละแต่ถ้าโยมเห็นแรงผลักในอกของตัวเองนะเห็นความอยากมันผุดขึ้นมา รู้เท่าทาันจิตใจตัวเองได้เรื่อยๆนะกลับบ้านโยมก็ทำเป็นนะตัวนี้ได้ประโยชน์ ก, กันเยอะนะอยากให้ได้ของดีนะบางคนมาหลวงพ่อโหดร้ายที่สุดเลยไม่ยอมให้พูดนะ <c oughs> อ้าวอนุ ญ, ญาตให้ถามได้ <c oughs> เข้าใจด้วยการจาด้วยการคิดไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญญาตัวจริงปัญญาจากการฟังเรียกสุตตมยปัญญา จริงๆแค่ความจำนะปัญญาเกิดจากความคิดนึกจินตามยปัญญาเอาเข้าจริ่งมันก็แค่ความคิดความจําและความคิดไม่ใช่ความจริงนะอยากเห็นความจริงดูของจริงที่กําลังปรากฏขึ้นมาในใจเราคอยตามรู้ตามดูเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอโยมทําสมถะนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอยากให้สงบรู้ว่าอยากให้สงบเหมือนอยากพูดแต่เกียอยากสงบก็แบบเดียวกันนั่นแหละ ให้รู้ทันนะโอ้ดีให้ได้หัดรู้ไปนะรู้สึกไหมว่าพอเราหัดรู้เนี่ยใจเราผ่องใสขึ้นมารู้สึกไหมว่าสงบเห็นไหมทําสมาธิไม่สงบรู้ทันขึ้นมาตื่นขึ้นมาสงบฉับพลันเลยนะเพราะจิตที่ฟุ้งซ่านนะัมันจิตอกุศลทันทีที่สติโดยจริงเกิดเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา เผลอไปแล้วนะอย่างนี้เผลอแล้วนะรู้สึกไหมใจเริ่มริบหลีลงไปสมาธิชนิดนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิน่ะไม่เอาแอบไปทาอะไรเพร่งรู้ว่าเพ่งรู้ทันตัวเองนะเราชอบไปรู้ของอื่นละเลยที่จะรู้ทันตัวเองเอจา์สุรวัตรอันนี้พิมไปยังเหลออจา์มีไว้ในมือ แล้แน่ๆอยู่บนเนี้ยอยู่หลังบิวอะจันดูหน้าสิบแปดเนีหน้าสิบแปดอะจันที่สรุปนะว่าทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งต่างๆที่ประกอบเป็นตัวเราตัวทุกข์มันไม่ใช่คือการยึดมั่นการยึดมั่นเป็นตัวอุปทานเป็นส่วนหนึ่งเองความจริงตัวที่เป็นทุกข์นะก็คือตัวเราอะตัวขันแต่ขันเนี่ยเป็นที่สร้างแห่งความยึดมั่น เพาะ้คียเวิร์เน่ยอยู่ที่ตัวขันหรือตัวเราคีเวิร์จะไม่ใช่อยู่ที่ตัวยึดมั่นเพราะจันเป็นตับข้างดูออกไหมอย่างงี้กลายเป็นว่าตัวความยึดมั่น่ะเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นไม่ทุกข์ความจริงตัวรูปนามตัวขันนะจะยึดหรือไม่ยึดก็ทุกข์นั่นแหละอันนี้ตัวตัวที่เป็นคีย์คือตัวคำว่ายึดมั่นแต่สุภาษดูออกใช่ไหมทุกข์คือการยึดมั่นถือมั่น ความจริงอะทุกคือตัวเราซึ่งมันตัวเราเนี้ยมันเป็นเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นเห็นที่อาจารย์พุทธทาสแปลนะขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเป็นทุกตัวขันน่นเป็นตัวทุกคำว่าอุปาทานขันเนี้ยอุปาทานตัวเนี้ยมาขยายคําว่าขันเป็นตัวขยายนะ อ, อไม่ยึดก็ทุก อย่างตัวรูปนามตัวมันเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะแต่ว่าถ้าเข้าไปยึดเนี่ยมันจะเกิดทุกข์หยาบยาบขึ้นมานะแต่ถ้าถึงไม่ยึดนะอย่างอยู่เฉยๆไม่ยึดก็ตัวทุกข์นะความจริงขันขันเนี่ยมีส่วนที่เป็นอุปาทานขันกับส่วนที่ไม่เป็นอุปาทานขันนะส่วนที่ไม่ใช่อุปาทานขันก็คือโลกุตาละจิตนะนะนอกจกนั้นจะเป็นตัวทุกข์ คำว่าอุปาทานมันเลยกลายเป็นตัวขยายขันเพราะงั้นทุกก็คือตัวตัวเราหรือตัวขันนะซึ่งมันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถ้าอย่างนี้ตรงอาจารย์พุทธทาสท่านแปลไว้ตรงเนี่ถ้าคุณสุรวัตรแปลว่าความยึดมั่นทุกคือความยึดมั่นใช่ไหมแล้วยึดมั่นในอะไรในในตัวเราไอ้ตัวเรากลายเป็นตัวขยายความยึดมั่น k ี y w o กลายเป็นความยึดมั่นไป ท, ทั้งที่จริงๆแล้วตัวขันะเป็นชีวิตความยึดมั่นมาขยายขันว่าขันที่มันถูกยึดมั่นมันเป็นตัวทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าความยึดมั่นเป็นตัวทุกข์นะแต่ตัวอุปาทานหรือตัวตัณหาเป็นตัวสมูทยัยมันอยู่ที่ภาษานิดเดียวอาจารย์สุวัสด์เดี๋ยวมันจะเคลื่อนจากบาลีอ้าวใครมีอะไรเคยฝึกไหมเนี้ย ฟังหลวงพ่อรู้เรื่องมั้งไหมเออรู้เรื่องเพราไงทุกข์เรียสัตว์อันนี้เป็นเรื่องอริยสัจนี่เบืองต้นเป็นเรื่องอริยสัจแล้วข้างหลังเป็นเรื่องมรรคขาเ น, นี้ยเป็นทุกข์นะอย่างที่พระมหากัสปะท่านพูด่ะ นะบอ ก, กจิตของพอระรหันนะก็คล้ายๆ ค, ค, คนหนุ่มคนสาวนะอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้าสวยงามใส่น้ำหอมห้อยพวงมาลัยเสร็จแล้วก็เอาซากสูนักเน่าห้อยคอไปด้วยนะคือท่านก็เห็นว่าตัวขันนั่นแหละตัวทุกข์แต่ว่าใจของท่านไม่ไม่คล้องเกี่ยวเท่า น, นั้นเองอย่างเช่นเวลาเวลาเดินรมพงอย่างเงี้ย ใช่ถ้าสติของจริงนะเกิดชั่วแว บ, บเดียวแต่ถ้าจงใจเนี่ยไม่ใช่สติตัวจริงอะ่ะกลายเป็นเพ่งเอาคือคุณดูงี้เวลาที่เราเดินธรรมดาเนี่ยใจเราป็ะปกติใช่ไหมพอเราคิดถึงการเดินจงกรมพอไปเดินจงกรมรู้สึกไหมใจมันทื่อๆขึ้นมาหนักๆแน่นๆแข็งๆขึ้นมานะนี่จิตมันไม่ถูกละทำด้วยโลภะละจิตที่หนักนะจิตที่แข็งจิตที่ทื่อๆนิ่งๆนะ อันนี้เป็นลักษณะของอากูสลจิตถ้ามาหากูสลจิตนะจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนจิตจะนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อไม่หนักไม่แน่นเะนั้นะค่อยๆดูไปนะลองเดินไปสิพอพอคิดถึงการเดินจงกรมสังเกตไหมอันแรกสิ่งที่พวกเราทำก็คือสํารวมทำกายให้นิ่งๆทำใจให้คลึมๆนี่กแกล้งทาละ หลักของมิปัสสนาจะไม่แกล้งทำมิปัสสนาก็คือใจมันเคลื่อนไหวรู้ว่าเคลื่อนไหวใจมันนิ่งๆรู้ว่ามันนิ่งๆใจมันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกะเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันเกิดเกิดดับดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับมันไม่ได้ต้องการให้เห็นตรงนี้นะการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่รู้จุดมุ่งหมายเราจะทําแบบไร้ทิศทางสเปสปะ งั้นอย่างพวกเราปฏิบัติทำเระหวังจะได้มรรคผลนิพนาพานอุษาเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วบังคับใจให้ทื่อเอาไว้เนี่ยไม่บรรลุหรอกแต่ถ้าเข้าใจว่าเราบรรลุได้เพราะเราเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างเนี้ถึงจะปล่อยวางความถือมั่นในรูปนามได้ในกายใจได้งราะเราต้องการเห็นแค่นี้เอง ตัววิปัสสนาปัญญาเนี่ยเห็นแค่ว่าไอ้กายกับใจเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราต้องการเห็นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องมุ่งมาสู่การเห็นอันนี้ะถ้ามุ่งไปบังคับให้นิ่งไม่ใช่ละ่นะตรงนี้เข้าใจไหม้วเราให้ตามรู้นะตามรู้ไปพอรู้ทันปุ๊บเราจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะนะเดี๋ยวก็จะหลงครั้งใหม่ก็รู้ใหม่นะ ในที่สุดจิตของเราจะตื่นขึ้นมาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันเลยคนในโลกไม่มีคนตื่นนะหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่าเลยบางคนบอกหลวงพ่อใส่ร้ายชาวโลกคนในโลกไม่ตื่นหรอกะถ้าไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือลงมือทำถูกต้องนะไม่ตื่นมีแต่คนที่คิดคิดฝันฝันตื่นแต่ตัวแต่ ใ, ใจฝันทั้งวันอนะ่ะอย่างตอนเนี้ยคุณฝันแล้วคุณทราบไหมเรารู้เรื่องที่เราคิดใช่ไหม แต่เราลืมตัวเราเอง <Yeah. S 1> น้อยคนที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะอดทนนิดนึงนะเรียนกับหลวงพ่อต้องทนทนหน่อยนะถ้าคุณผ่านความยากลำบากตรงนี้ได้คุณแต่และคนรู้สึกตัวขึ้นได้การปฏิบัติของคุณจะเลือนิดเดียวเลย <Yeah. S 1> เพราะเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดนึกปรุงแต่งเราจะรู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงเลยกายกระจตามความเป็นจริงไม่ได้เป็นตัวเราอยู่แล้ว นีพวกเราบางทีเราบอกว่าเราจะปฏิบัติเพื่อละความเป็นตัวตนไม่ต้องละความเป็นตัวตนไม่ต้องละเพราะไม่มีนะมันหลงผิดว่าเป็นตัวตนต่างหากละความหลงผิดละความเห็นผิดต่างหากนะทำยังไงจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้จ <institutional> ะละความเห็นผิดได้ก็ <tram> ต้องเห็นถูกอยากเห็นถูก<ร>ก็ต้องเห็นว่าจริงๆมันเป็นยังไงเพราะงั้นมีปัสนาก็คือการที่มาคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง จะได้รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงจริงๆมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราถ้าเข้าใจความจริงตรงนี้ความเห็นผิดก็ขาดสักายะทิฏฐิขาดเรียกว่าเป็นพระโสดาบันนั่นการปฏิบัติต้องตรงเป้าหมายนะไม่ใช่เราทําตามๆกันไปเห็นเขาเดินจงกรมเราก็เดินเห็นเขานั่งเราก็นั่งนะเห็นเขาเคลื่อนไหวอย่างนี้เราก็ทําตามแต่เราไม่รู้ทิศทางทําอย่างนั้นน่าสงสารเหน็ดเหนื่อยมาก บางคนบุญบรารมีแก่กล้าพอนะผ่านไปได้แต่ส่วนใหญ่ไปไม่รอดเลยงั้นเป้าหมายนะเป้าหมายแรกต้องเป็นพระโสดาบันนะชาวฟุตอย่าไปคิดว่ายากพระโสดาบันละสักยัติทิฐิได้ละความเห็นผิดว่ากายกับใจคือตัวเราจะละความเห็นผิดได้มีทางเดียวต้องเห็นให้ถูกนะเห็นกายเห็นใจให้ถูกนะทาไงถึงจะเห็นถูก ต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงทําไงจะเห็นตามความเป็นจริงต้องไม่เผลอไปที่อื่นสิต้องคอยเห็นไหมแล้วก็ไม่เพ่งไม่บังคับมันนะถ้าเพ่งบังคับมันเห็นไม่ตรงความเป็นจริงถ้าเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆเราจะเห็นความจริงความจริงคืออะไรร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะเห็นไหมมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ใช่ว่านานๆเคลื่อนไหวทีหนึง ร่างกายนี้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างน่้นหัวใจเต้นตุ๊บซับตุ๊บซับนะ่ยปอดทํางานไปะเดี๋ยวก็หายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวกระดุกระดิกร่างกายก็เคลื่อนไหวมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเนี่ยมันไม่เที่ยงสักอันเดียวร่างกายเป็นทุกข์นะทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้เช่นหายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้หายใจออกอย่างเดียวก็ไม่ได้ะกินอาหารอย่างเดียวก็ไม่ได้ขับถ่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้ ยืนอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวนอนอย่างเดียวก็ไม่ได้เห็นไหมเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาวะอันใดก็ไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนี่เห็นตรงความเป็นจริงแล้วเห็นจิตใจตามความเป็นจริงอ่ะไม่เที่ยงใจของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งวันนะอย่างที่หลวงพ่อพาดูเป็นระยะระยะรู้สึกไหม ตอนนี้จิตเป็นอย่างนี้เมื่อเช้าเป็นอย่างนี้เมื่อวานเป็นอย่างนี้ไม่เคยคงที่เลยนะไม่เที่ยงตลอดเวลาทนอยู่ในสภาวะอันใดนนหนึ่งไม่ได้ที่สำคัญก็คือบังคับไม่ได้เช่นสติจะเกิดหรือจะไม่เกิดเนี่ยบังคับไม่ได้นะจิตจะเผลอเพราห้ามไม่ได้สติจะเกิดสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้นี่เฝ้ารู้ของจริงไปแล้วจะได้เห็นของจริง เพราะงั้นเราคอรู้สึกตัวขึ้นมาคอรู้กายคอรู้ใจตามความเป็นจริงนะเพื่อควารู้ตรงความเป็นจริงในที่สุดก็เข้าใจความเป็นจริงเข้าใจตัวความเข้าใจคือตัวปัญญานั่นเองเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานียพอเห็นตามความความเป็นจริงได้ก็ละความเห็นผิดได้ที่ว่ามันเป็นตัวเราสกิริยทิฏฐิขาดเพราะงั้นการปฏิบัติต้องมีทิศทางนะ เดินให้ตรงทางไม่ไม่อ้อมไปอ้อมมามิฉนั้นเราจะสเปซสปาเรื่อยเล ย, เ, ลยเข้าวัดนี้ก็ไปหายใจเข้าวัดนี้ไปเดินนะเข้าสํานักนี้ไปดูท้องเข้าสํานักนี้ไปขยับมือทําไปเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะถ้ารู้ทิศทางขยับได้ไหมได้ทํากรรมฐานอะไรได้หมดเลยนะแต่ถ้ารู้จุดหมายปลายทางนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่ละคนสอนมาผิดนะเราเข้าไม่ถึงแก่นคําสอนทั้งห่กเนี่ยใจลอยแล้วรู้จักไหม เชือไปแล้วอย่าเพ่งนะนะอยากเป็นพระโสดา บ, บันนะละอยากจะเป็นพระโสดา บ, บันนะต้องละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราอยากละความเห็นผิดต้องเห็นถูกนะอยากเห็นถูกก็ต้องตามดูว่าของจริงมันเป็นยังไงเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงหรือวิปัสสนานั่นเอง จะรู้ตามความเป็นจริงได้ถ้าไม่เผลอไปก็ไม่เพ่งเอาไว้อย่างนี้รู้เรื่องไหมรู้เรื่องเราต้องทําแล้วนะอย่าคิดมากนะคิดมากยากนานแต่การเดินงยมอะไรพวกนี้อย่าว่าเราเป็นถ้าพิจารณาจะขึ้นระเบิดแต่ว่าสมถะอยตลอดเหนก็เป็นจอมขันได้ได้คืออย่างนี้ถามว่าควรจะเดินไหมควรจะเดินมะ เพราะการเดินเนี่ยแต่ต้องเดินให้ถูกไม่ใช่เดินเพื่อบังคับตัวเองแต่เดินเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวอารมณ์กรรมฐานที่เคลื่อนไหวอกระตุ้นความรู้สึกตัวได้ง่ายส่วนอารมณ์ที่นิ่งๆ่ะนะมันทําให้เคลื่ง่ายอย่างนั่งหายใจแป๊บเดียวก็เคลื่อนละนะงั้นไปเดินเดินเพื่อจะรู้สึกตัวต้องตั้งหลักให้ดีนะไม่ใช่เดินเพื่อบังคับใจตัวเองของคุณต้องปรับตรงนี้แหละแยกได้ยังเดินเพื่อรู้สึกตัวไม่ใช่เดินเพื่อบังคับ จะเดินดนสมกระทั่งเดินท่าอะไรก็ได้นะไม่ใช่ว่าผิดนะเดินยังไงก็ได้เห็นเลยไอ้ตัวที่เดินอยู่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นก้อนท่าที่เคลื่อนไหวไปเป็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวเรานะเดินไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้ว่าใจหนีไปเดินไปแล้วใจสงบรู้ว่าสงบเดินไปเดินไปก็เห็นอีกจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้ทาเพื่อตรงนี้นะ เั้นเราต้องรู้วัตถุประสงค์รู้เป้าหมายไม่งั้นเราพลาดต้องมีอะไรไม่ต้องคือการปฏิบัติาที่เรานะส่วนใหญ่ผมใ้คว่าต้องทอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าพอใจที่ไทมีความสุขที่ไทสถานที่ถูกต้องไม่เข้าใจแล้วก็เอกที่ถูกต้องคืออย่างนี้ต้องสิ่งที่ผลักดันให้เราปฏิบัตินะ้มีสองงานคือฉันท่ากับตันหา ตัณหาเนี่ยอยากได้ผลแต่ขี้เกียจทำเหตุอยากได้ผลถามว่าพอใจที่จะปฏิบัติไหมไม่อยากปฏิบัติหรอกแต่อยากบรรลุมรรคผลแต่เพราอยากบรรลุมรรคผลมากก็เลยฝืนใจปฏิบัติหาทางทำอย่างงน้นหาทางทำนี้หวังผลคล้ายๆคนที่ทำงานโดยไม่รักงานแต่อยากได้เงินเดือนเยอะๆอยากได้ซีนี่พวกทำด้วยตัณหาไม่มีความสุขในขณะที่ปฏิบัติ ในขณะเดียวกันถ้าพวกมีฉันทาของการปฏิบัตินะมีความสุขที่จะปฏิบัติพอใจที่จะทําเหตุไม่สนใจผลหรอกนะอย่างบางคนนะสนใจทําเหตุมีความสุขที่จะทํางานทําไปเรื่อยนะทํางานด้วยความสุขรักที่จะทํางานนะอย่างนี้ผลผลมันออกมาเองเพราะงั้นไม่เหมือนกันอย่างอาตมาตอนเด็กๆนะไปเรียนกับท่านพ่อรีอยากปฏิบัติ ภาวนาอยากปฏิบัติทำอย่างโน้นทำอย่าง น, งางนี้หายใจเข้าหายใจออกจะมาไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนธรรมะประหลาดเคยเราเคยได้ยินแต่ว่าครูบาอาจารย์สอนให้พุโทโธแล้วพิจารณา ก, กายนี่มันไม่ถูกจริตบางท่านท่านพุโทโธพิจารณากายท่านไปได้ข อ, องหลวงพ่อมันไม่ถูกจริตเรื่องกายไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง พอได้ยินคําว่าอ่านจิตตนเองนะมันรู้สึกสนใจรู้สึกเอ๊ะมันน่าเรียนรู้จังเลยเราเคยรู้แต่อย่างอื่นนะวิชาอื่นๆเรียนเยอะแยะแต่ทําไมเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องจิตตัวเองพอรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็ขยันดูไม่ขยันดูเองเลยแล้วค่อยตามรู้ตามดูนี่วิริยะมันเกิดเองจิตใจก็คอยจดจ่อที่จะคอยรู้ค่อยดูเรื่อยๆนี่คือตัวจิตตะจิตใจก็คอยเรียนรู้เคล้าเคลียเรียนรู้เรื่องจิตใจของตัวเองอยู่เรื่อยๆนะ ไฝควรพิจารณาอยู่เรียกว่าวิมังสาะอิธิบัติสี่เกิดขึ้นเพราะมีชันท ะ, นะแต่ถ้าบางคนปฏิบัติไม่ได้อย่างนั้นนะอย่างตอนเราทำมาปฏิบัติยไม่คิดถึงผลเลยะลืมคำว่าปฏิบัติไปแล้วหลวงปู่ให้ดูจิตรู้สึกว่ามันน่าดูเฝ้ารู้เฝ้าดูดูได้ตั้งแต่ตื่นเลยไม่มีใครบังคับ น, นี่พวกเราบางทีปฏิบัติเราไม่ได้รักการปฏิบัติครูบาอาจารย์ต้องบังคับ ขอละครขงเรียกมานั่งพร้อมๆกันอะไรอยเงี้ยตัวมานั่งนะใจก็หนีออกนอกวัดอีนะอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้หรอกดนั้นต้องมีฉันทะคือพอใจที่จะปฏิบัติสนใจรู้สึกว่าน่าเรียนน่ารู้ถ้ารู้สึกว่าจิตใจของเราเป็นเรื่องน่าเรียนน่ารู้แล้วมันจะขยันดูนะไม่มีใครเรียกให้ดูก็ดูเอง แล้วเกิดความรู้สึกว่าที่คิดว่าสอเวาที่ 25-25-27 จังหะมันไม่ได้รู้ลึกไปถึงศีลทุกตัว่าก็เอองไม่ทราบว่าจะทายังไงถึงจะได้รู้ลึกีทุกตัวเพราะเขารู้สึกว่าการปฏิบัติถ้ามองเข้าใจศีลแหล่งชัดเจนขึ้นเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติที่ดีที่ดูว่าจิตึ้นมานจะมันจะถงสารุนไ ศีลตัวที่ต้องเรียนให้มากนะคืออินเซียสังวรศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้ยยิบเจ็ดนี่เรียกว่ า, วาปาฏิโมกสังวรศีลถ้าเราเรียนอินเซียสังวรศีลได้เนะี่ยเราจะได้ศีลหมดเลยอินเซียสังวรศีลเนี่ยเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทนันกิ เ, เกลสจะคร่บงําจิตถ้าถูกกิเลสครอบงําจิตศีลก็ เ, เสียไป เมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันะ <c oughs> ถ้ารู้ไม่ทันกิเลสครอบงำสินขาดิษะสินคือความเป็นปกติของจิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงํำเมื <c oughs> ม่อใจไปรู้ธรรมารมเช่นไปรู้ความชิดใจไปรู้ความชิดกิ <c oughs> เลสเกิดขึ้นที่จิตคือความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติคอยรู้ทันจิตใจของเราเรื่อย อินทรียงสังวรศีนจะเกิดขึ้นแล้วศีนข้างนอกมันเกิดขึ้นเองยกตัวอย่างอย่างหนุ่มๆอย่างหนุ่มๆเห็นสาวสวยนะเขาก็มีสามีแล้วอะไรเงี้ยนะใจมันรักใจมันมีราคะรักเขามีสติรู้ทันนะราคาครอบงําใจไม่ได้ไม่ไปเป็นชู้กับเขานะเดินตามหลังคนไปเห็นเขาทาโทรศัพท์มือถือตกวุย้ยรุ่นนี้ถ่ายรูปได้ด้วยสวยอยากได้อยากได้เห็นว่าอยากได้นะ กิเลสครอบงําใจไม่ได้ก็ไปเรียกเจ้าของมาเอาคืนได้แต่ไม่ไปเอาของเขาคอือศีลข้อรักข้อขโมยก็ไม่มีความโกรธเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันความโกรธครอบงําใจไม่ได้ไม่ไปด่าใครหรอกไม่ไปฆ่าไม่ไปตีใครหรอกเพราะฉั้นถ้ารับศาศีลด้วยการมีสติรู้ทันเข้าถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงศีลห้าเนี่ยเกิดขึ้นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นศีลที่เกิดจาก ยินเสียสังวรจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยเป็นศีลที่พระอริยะชมเชยเรียกว่าอาริยะกันตาศีดีกว่าศีลที่เป็นข้อข้อถือโดยไม่ได้อยากจะถือแต่อยากเป็นคนดีก็เลยต้องถือด้วยความจำใจส่วนศีลของผู้ปฏิบัติเนี่ยนะเราเห็นเลยว่าถ้าจิตใจเราเศร้าหมองถูกกิเลสครอบงามันไม่มีความสุขไม่ดีสกปรกจิตใจก็ไม่ถูกกิเลสครอบงา บริสุทธิ์สะอาดปุจฝองอยู่มีความสุขอยู่จิตใจจะรักษารักษาสีนของมันเองถ้ารักษาสีนให้ถึงใจรักษาง่ายสีนเกิดขึ้นโดยง่ายถ้ารักษาสีนอยู่ที่มือที่เท้าที่ปากนะคือยากนะอย่างอยากด่าเข า, า, าจะขาดใจแล้วอยาก ด, าด่าเต็มที่นะพยายามไม่ด่าลำบากนะแต่ถ้ามีสติรู้ว่ามันโกรธเขาละ เห็นความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ได้เองนะแต่ว่าสีห้าจำเป็นนะต้องถือไว้ก่อนขั้นตำ่ำเป็นเครื่องป้องกันตัวนะเอาสีห้าไว้ก่อนคือความรู้สึกเกิดตรงไหนรู้ตรงนั้นแหละนะคือถ้าตามอภิธรรมนะก็ มันผุดขึ้นตรงหสทยวัตถุนะบอกว่าเราก็แปลว่ามันอยู่ที่หัวใจใจนะวัตถุกวจริงแล้วความรู้สึกผุดขึ้นตรงไหนก็รู้ตรงนั้นอย่างเวลาเราอยากพูดเนี่ยสังเกตไหมมันพุ่งขึ้นมามันพุ่งขึ้นที่ไหนก็รู้ตรงนั้นแหละมันดับลงตรงไหนก็รู้ตรงนั้นเราอย่าไปจ่อเอาไว้ถ้าไปนั่งจ้องไว้ก่อนนะเรากะว่ามันจะขึ้นที่หัวใจแล้วเราไปจ้องไว้ก่อนกลายเป็นนั่งเพ่งเอา ให้มันโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาเพราะหลักของการดูจิตเนี่ยต้องรู้ตามหลังหมายถึงว่าโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโละแต่อย่าไปจ้องไว้ก่อนถ้าไปจ้องไว้ที่หัวใจหรือจ้องไว้ที่ลิ้นปี่บางคนจ้องหัวใจบางคนจ้องลิ้นปี่จ้องดูซิจะโกรธโผล่ขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่ไม่โผล่หรอกเพราะว่าเพ่งเอาไว้ก่อนเป็นการดักรู้นะในอภิธรรมก็สอนบอกให้ตามรู้ไม่ใช่ให้ดักรู้ ตามรู้หมายถึงว่ามันโกรธขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันโกรธอย่างนี้ง่ายๆถ้าเราไปจ้องไว้ก่อนคุณจะรู้สึกไหมมันคล้ายๆเราเพ่งไหมมันจะกลายเป็นสมถะกลายเป็นการทําสมถะเอาเมื่อกี้ทางนี้คุณประกอบนะเช่นท่านอาารย์เฉลยถามว่าเมื่อที่ว่าทําห้เกิขึ้นเนี่ยตอนมีวิจารณ์อะไรจะเข้าไปรู้ว่า คือที่เรารู้แล้วไม่ดับเพราะสติตัวจริงไม่เกิดถ้าสติตัวจริงเกิดนะกิเลสจะเกิดร่วมกันไม่ได้อนะย่างความโกรธเกิดขึ้นมานะเรารู้แล้วเราไม่ชอบมันเราอยากให้มันหายจิต ด, ดวงนี้เป็นอกุศลแลนะจิต ด, ดวงนี้เกลียดกิเลสนะจิตตัวนี้มีโทสะแทกนั้นะจิตตัวนี้ไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลแท้กิเลสก็ยังอยู่กันได้กิเลสมันก็อยู่แต่กิเลส นะแต่ถ้ากิเลสผุดขึ้นมาเราสักว่ารู้สักว่าเห็นนะเป็นกลางกับมันไม่เกลียดมันนะกิเลสผุดขึ้นมาพอสติระ ล, ลึกปั๊บจะขาดเลยขาดเองนะงั้นนิวรณ์จะเกิด น, นิวรณก็มีเหตุให้เกิดนี่ถ้าดูนิวร น, น, น, นิวรดูยากนะ่อนอยู่ในธรรมานุปัศนาต้องให้ดูให้เห็นว่าตัวนิวรณเองไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเราชั่วครั้งชั่วคราว มีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับไปไม่ใช่ตัวเรานะดูแบบคนบงนอกแต่ถ้าดูแบบไปเกลียดมันนะไม่ได้นะไม่ใช่การรู้ที่ถูกต้องแล้วดูแบบอยากให้ดับอะคือ่าถามเรียนพ่อถามงันเ็งจริงนะคะคืออย่างว่าบางทีเนี่ยก็เผลอคิดอะไรไปยๆพรรู้ว่าเผลอแล้วก็คือก็รู้ขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถูกท่านไม่เป็นไรไม่เป็นไร ว่ามันว่องไออวมีหนะัวนั่นคืออันไหนที่สติที่แบบ้จริงอันไหนก็ได้อย่าไปกังวลมากเดีนะ๋ยวจะไปอยากให้อ น, นนเกิดอันนี้เกิด<ช>มันไม่เกิดเพราะอยา ก, กนะเกิดเพราะมันมีเหตุไม่ได้เกิดเองด้วยเกิดเองไม่ใช่ชาวพุทธนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุ เหตุให้เกิดสติหลวงพ่อบอกแล้วไงเห็นกระให้เกิดสติคือการที่จิตจําสภาวะได้ <Yes. S 1> เมื่อจิตจําสภาวะได้เช่นมันรู้ว่าเผลอไปยังไงนะพอเผลอไปปุ๊บสติะระลึกขึ้นเองสติที่ะระลึกรู้จิตที่เผลอเนี่ยนียกว่าสัมมาสติสติธรรมดากับสัมมาสติต่างกันสติธรรมดาเนี่ยระลึกรู้อารมณ์ฝ่ายกุศลธรรมดาๆสัมมาสติะระลึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจเอง ถึงเรียกสัมมาสตินี่ทันทีที่อย่างเราเผลอไปเราเกิดจิตมันระลึกขึ้นได้ว่าเผลอไปละเนี่ยสติมันระลึกนะทันทีที่สติระลึกว่าเผลอไปเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นแวบเลยจิตจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเพราะมีสติไปรู้ทันรูปนามเนี่ยความตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าสัมมาส ม, มาธิ สมาธิกับสัมมาสมาธิไม่เหมือนกันสมาธิเนี่ยเป็นความตั้งมั่นจดจ่อในการรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งแต่ว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นความตั้งมั่นในการรู้รูปนามรู้กายรู้ใจของเราเองสติถ้าเป็นสัมมาสติก็คือความระลึกรู้รูปนามกายใจของตัวเองสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นในการระลึกรู้รูปนามกายใจของตัวเอง สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตัวเองนะสัมมาสัมมาทั้งหลายเนี่ยจะเป็นเรื่องรู้ทันรูปนามตัวเองนะนี่ทําไงนะเผลอไปแล้วเกิดรู้ตัวว่าเผลอปับ๊บจิตจะตื่นขึ้นมานะในขณะนั้นจิตมีความสุขฉับพลันนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแมนะ้พวกเราชอบคิดว่าถ้ามีสมาธิแล้วมีความสุข สมาธิ prize, ถ้าประณีตมากถึงที่สุดนี่นะไม่มีค ว, มความสุขหรอกมีอุเบกขาความสุขต่างหากะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอย่างบางคนมีความสุขที่จะเล่นไพ่นะจดจ่อกับการเล่นไพ่ได้ท e <cole> ั้งคืนเลยมีความสุขกับการอ่านนิยายนะอ่านได้ทั้งคืนถ้าจิตใจมันมีสติขึ้นมารู้รูปรู้นามแล้วมีสติตื่นขึ้มามีความสุขในการรู้กายรู้ใจได้จิตใจมันจะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจได้ สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นที่จะรู้รูปนามสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นไหมมันส่งกันเป็นทอดๆนะการจําสภาวะได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทันทีที่เกิดสติเนี่ยจิตเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตมีความสุขความสุขทําให้จิตตั้งมัน่นความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสัมมาส ม, มาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือพอจิตใจของเราตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจ มันก็ทำให้สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ปัญญาคือการรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะั้นต้นทางของการปฏิบัติจริงๆก็คือการคอยตามระลึกรู้นะสภาวะทั้งหลายไปเรื่อยๆระลึกรู้กายระลึกรู้ใจอย่าเผลอไปอย่าเพ่งเอาไว้ไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจแต่ก็ไม่เผลอลืมกายลืมใจเผลอแล้วก็รู้ว่าเผลอเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยู่ เอก็อย่ามโมโห ว, ว่าทำไมเผลอบ่อย mm hmm. เพ่งก็อย่ามโมโหอีกวุ้ย mm hmm. ทาไมมันชอบเพ่งไม่เลิกนะรู้ไปพอปัญญามันเกิดปัญญาเป็นความเข้าใจเขาเข้าใจแล้วโอ้กายใจไม่ใช่ตัวเราเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบีมุสมันก็เกิดคือการปล่อยวางก็เกิดงั้นอยากได้มรรคผลนิพพานไม่มีทางอื่นจะต้องมีปัญญา ครจ้สอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้ถึงด้วยอย่างอื่นแต่ปัญญาตัวเนี้ยหมายถึงตัวสัมมาทิฏฐิหมายถึงวิปัสสนาปัญญาคือรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามเราจะรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามได้ก็ต้องคอยรู้บ่อยๆนะจิตใจตั้งมั่นอยู่ที่กายที่ใจคอยรู้เรื่อยๆและจิตใจห น, นีไปที่อื่นเรือเอาแต่เพ่งเพงเงาเพราะไม่ได้รู้อะไรในี่ใจเราจะตั้งมั่นอยู่ที่กายที่ใจนะั้นมันต้องตั้งขึ้นเองนะ สร้างภาะสติมันเกิดสติมันก็เกิดขึ้นเองนะไม่ใช่สั่งให้มันเกิดหน้าที่ของเราก็คือหัดรู้สภาวะบ่อยๆสังเกตใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปในความคิดพอจะดูออกไหมมันวิ่งไปวิ่งมานะให้หัดตามรู้ตามดูเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดขึ้นเองนะสติเกิดจิตก็เป็นกุศลมีความสุขมีความตั้งมั่นมีปัญญาไปตามลําดับ นี่ต้นทางของการปฏิบัตินะคอยรู้สึกไปทำไมหลวงพ่อชอบสอนให้ดูจิตบางคนสงสัยว่าทำไมไม่ดูกายจะดูกายก็ได้นะคนไหนที่มีพื้นนิสัยเดิมเป็นพวกโลกมากให้ดูกายคนไหนที่มีพื้นนิสัยเดิมเป็นพวกคิดมากนะให้ดูจิตเพราะกายกับจิตเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับคนที่มีจริตต่างกัน พวกตัรหารจริตหรือพวกคิดให้พวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักสงบเนี่พวกสัรหารจริตพวกนี้ให้รู้กายก่อนจะรู้กายต้องทําสมาธิก่อนนี่เป็นกฎนะฉะนั้นอย่างครูบาอาจารย์มัดปาทําสมาธิก่อนแล้วมารู้กายนี่ถูกกาพิธามเปรียบเลยพวกเราบางทีรู้กายโดยไม่มีสมาธิรองรับเรากลายเป็นหลงคิดเรื่องกายหรือไม่ก็เพ่งกาย นะอย่างที่ทำกันส่วนใหญ่ไม่มีสมาธิรองรับจะไปเพ่งเนาะเพ่งกายเพ่งไปเพ่งมาคอเคล็ดหลังเคล็ดนะแข้งขาเด้งนะแต่ดูไปแบบดูกลเส้นไหวไปไเรื่อยๆอ่ะนี่ไม่ได้เพ่งแต่มันก็เบื่อเบื่อนั่นแหละให้รู้ว่าเบื่อกิเลสเกิดล้วนะเห<อ>มือนกว่ามันวนไปนมาเออมีเอกกิเลสมันก็ของเก่านะเราไม่เห็นเบื่อมันเลย พอมาดูไกายของเก่ากับเบื่อไอ้โรคกรดโ ล, โ ล, โลมันก็ของเก่าอะไรนะมันมีไม้ตายของกิเลสอยู่สองอันนะเป็นไม้ตายของกิเลสที่จัดการกับพวกคิดมากคือพวกทิฏฐิจริตพวกปัญญาชนพวกคนเมืองส่วนใหญ่พวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตพวกนี้ท่านสอนมาให้ดูจิตดูจิตนี้ดูไปเลยไม่ต้องทําฌานก่อนก็ได้แล้วฌานเกิดทีหลังนี่กิเลสมันมีไม้ตายสองตัวคือเบือ่อดูไปเรื่อยๆอ๋อเบือ่อเบือ่อแล้วเลิกดู ไม้ตายท่าที่สองของกิเลสคือสงสัยดูไปช่วงหนึ่งชักสงสัยเอ๊ะมันจะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยนะเอ๊ะมันถูกหรือยังนะอที่เราทําอยู่นี่มันถูกหรือยังไอ้ที่รู้สึกตัวนี่มันรู้สึกใช่หรือยัง ice. นี่ยมันจะหลอกทําให้เราไปคิดความสงสัยมันจะหลอกให้เราคิดเลิกรู้รูปนามความเบื่อมันก็จะหลอกให้เราไปนอนซะหรือหนีไปเที่ยวที่อื่นซะเ ล, ลิกรู้รูปนามไม้ตายของกิเลสนะก็คือจะหลอกให้เราเลิกรู้รูปนามนั่นเอง งั้ยเสียท่ามันนะโดยเพราะเบื่อกับสงสัยเนี่ยนี่เป็นท่าไม้ตายของกิเลสเลยกว่าหลวงพ่อจะเจอกับมันนี่นะไงท้องมาเยอะแล้วไงท้องคือดูแล้วเบื่อก็เลยง่ายเลยนอนพอสงสัยคิดอุตรุณเลยนะอยากไปถามอาจารย์โ น, น้นอาจารย์นีนะ้มันหลอกให้เราคิดหลอกให้เราเลิกปฏิบัติกิเลสกลัวเรารู้กายรู้ใจ เ้าถ้ารู้การู้ใจตางควาเป็นจริงเดี๋ยววิมุติมันเกิดพ้นอำนาจของมันไปว่าไงเชิญเกิูห่หลวพ่อบอกว่าสติเป็นสิ่งที่ควบคไม่ได้เราเราะไงที่จะให้สติเกิดขึ้นได้บ่อยๆหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะอย่างใจเราโกรธรู้ว่าโกรธใจเราโลภคอยรู้ว่าโลภหัดตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยรู้ไปนะเดี๋ยวสติจะเกิดเอง สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะทำได้สภาวะทำเช่นความโลภความโกรธความหลงความกลัวความกังวลอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคอยรู้ไปเนี่ยสติเกิดเองเช่นเผลอไปแล้วพอเผลอไปนะนึกขึ้นได้อ้าวเผลอไปล้วจะตื่นขึ้นมาวับเลยสว่างโปรงขึ้นมาเลย อ, นะ อ, ลลอืม ก็ดูไปเรื่อยนะอ่ไม่เฉพาะทุกครั้งที่ได้ยินใช่ไหมตามองเห็นตรงนี้ก็ยิบๆิบขึ้นมาหูได้ยินเสียงนี้ก็ยิบยิบขึ้นมาเอ่อนะนะรู้ไปเรื่อยรู้ไปแต่อย่าเพ่งนะอนะไม่เพ่งรู้ไปสบายๆนะรู้ตอบไป อืมเอออืมเอมอเออน่าก็ดูไปนะอะไรปรากฏขึ้นมาก็ดูไปเรื่อยๆนะแต่อย่าดูจนถลําไปดูนะบางทีรู้สึกไอ้นี่น่าสนใจนะไปดูมันจนลืมตัวเองก็มีนะแล้วก็จ้องลึกเข้าไปข้างในเรื่อยๆถลําลึกเข้าข้างในไปเรื่อยๆนะเข้าใจไหมที่หลวง้่อบอกไม่แค่แค่เราตามมันเข้าไปนี่ถูกมันหลอกอยู่ มันไม่หนีไปข้างนอกมันก็หนีมาข้างในโนูุเทศบอกไม่ส่งนอกไม่ส่งในเป็นกลางรู้อย่างสบายอย่าวิ่งตามมันไปดีล้าทำต่อไปนะไม่ผิดไม่ผิดคือมันคิดได้ตอนฟุ้งซ่านพอมีสติขึ้นมามันก็หยุดคิดเลยเพราะคิดกับรู้ว่าเป็นศัตรูกัน หลวงพ่อเตียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวหลวงปู่ ด, ดูลว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้อะไรเงี้ยนะคิดกัรู้มันศัตรูกันแต่เราห้ามความคิดไม่ได้นะงั้นใจมันจะคิดก็ช่างมันไม่บังคับเอาละหลายคนอยากกลับบ้านละนะขอละเอาคนสุดท้ายว่ามา มันเครียดเหรอมันเครียดหรือมันเป็นไรคือตอนนั้นมันเครียดแต่ตอนนี้มันก็เลยอเฉยๆแล้เออมันก็ไม่เครียดเท่ากับแล้วแต่ว่าสมบัติมันนิงนิมันแล้วไม่ชอบเลยมันมันก็คือเสียงรู้แล้ว่ว่ามันไม่ชอบมันยังพยายามอยู่รู้สึกไหมมันยังตรงใจรักษาความรู้สึกตัวก็รู้ทันมันนะยัง ทำไม่ได้สิถูกต้องแล้วแลาทำได้ไม่ใช่ของจริงเห็นไหมว่าธรรมะเนี่ยพยายามสอนเราว่าแกบังคับฉันไม่ได้นะแต่ฉันน่ะอยากบังคับแกมันก็เลยแบบว่าเออไอ้เมอนยอมแพ้อะไรก็อมันไม่ยอมแพ้จริงมันแกล้งยอมถ้ายอมแพ้จริงมันจะสลัดล่วงไปเลยก็มันไม่สลัดล่วงเออมันไม่สลัดเพราะมันแกล้งยอมแพ้เอะไรฉันแกล้งแพ้เธอแล้วนะจ้องไม่กระพริบตาเลย มีฟอร์มเยอะนะรู้สึกไหมยังปฏิบัติอยู่ยังตะคองอยู่ดูออกเปล่านิดเดียวก็ใช้ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าบอกพบคือการทํางานทางใจพบจะเล็กจะน้อยก็เหมือนอุจจาระนะก็เล็กก้อนใหญ่ก็ไม่เอาตอนเนี่กําลังรับประทานอุจจาระก้อนเล็กหน่อย ดูออกเปล่าใจมันไม่ยอมหลุดออกมามันยังเกาะ อ, อยู่อย่า ก, กลัวการปฏิบัตินะอย่า ก, กลัวเหมือนเราหันว่ายน้ำํำอะเรากลัวนะั้นเราเกาะ ว, วงยางตลอดเลยอยกกีกชาติก็ไม่เป็นใจเด็ดเด็ดนะอยา่อยาเรียบประปรองไหมให้มันล้มลุกลุกลานแล้วก็ค่อยรู้เอาแต่ไม่ใช่ให้ไปทําบาปนะบอกให้ล้มลุกลุกลาเนี่ให้ไปทํำอกุศลไม่ใช่นะสอนเด็กๆต้องระวังเด็กมันเจ้าเล่ ก <ś pollut ant> คือไั้อว่าังอย่างใจเราติดอะไรอยู่เนี่ยแล้วเราแกล้งไปฟังเพลงหวังว่าจะให้หลุดไม่หลุดหรอกเพราะว่าใจไม่เป็นกลางเหมือนกโกรธอยู่แล้วจะอยากให้หายกโกรธ <hid S 1> <seus> แต่ไม่เลิกอะใจมันไม่ได้เป็นกลางจริง <S <S> <S> ไม่ต้องทําอะไรได้ไหมไม่ใช่ต้องทําไม่เป็น <S <S> <S> <S รู้ไหมว่าพยายามทํา ให้รู้ทันว่าพยายามทํานะเห็นไหมไม่ได้ทําอย่างที่หลวงพ่อบอกบางอย่างโอ้ทําไม่เป็นทําไม่เป็นเขาคิดจะทําติดเลยทําไม่เป็นนะหลวงพ่อไม่ได้สอนเลยบอกให้ทําอย่างนั้นทำนี้ให้รู้ทันการปรุงแต่งหรือการทํางานของใจเรานะถ้ารู้ทันแล้วมันเลิกทําของมันเองไม่ใช่ว่าทํายังไงถึงจะถูกทํายังไงก็ผิดหมดเลยนะจับหลักให้แม่นนะจับหลักนี้พลาดแล้วก็เดินไกลเลย ออาวันนี้สมควรแก่เวลาบ